ขอนอบน้อมนมัสการพระโลกกนาทผู้เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาผู้ถึงฝั่งแห่งสาคอนคือยญายธรรมทรงแสดงธรรมอันละเอียดลึกซึ่งมีนยยอันวิจิตขอนอบน้อมนมัสการพระธรรมอันสูงสุดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบูชาอันจะเป็นเหตุนำสัต ผู้ที่เรียรพร้อมด้วยวิชาและจารณะให้ออกจากโลกขอนอบน้อมนมำมการพระอาริยสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติทอผู้สมบูรณ์ด้วยศิลคุณเป็นต้นผู้ดำรงอยู่ในมรรคผลผู้เป็นบุญญาเขตอันยอดเยี่ยมกราบบูชาคุณของหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคําเขียนกราบขอากาศและกราบอารวะ หลวงปุกรมพระอาจารย์ยุกิพระอาจารย์ทรสงสิล์และขอความจริสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่เพื่อนสาธรรมิกทุกรูปขอหน่วยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลความสุขความสงบแห่งจิตความเยือกเย็ยนแห่งใจและความพาสุขทุกประการ จงบังเกิดมีแดนเนกขมมาจารณีชีพรำผู้ไฝ่ศิลผู้ไฝ่ธรรมผู้สแสวงหาบุญกุศลคุณงามความดีผู้บำเพ็ญบุญบารมีผู้มีกรรมทุกท่านยอมก็มือลองนะนั่งต่ำสบายแต่ไม่ต้องไปไหนอยู่ตรงนี้มาถึงวัดเห็นโบสถ์เห็นศาลาเห็นดินและต้นไม้ ยังไม่ใช่เห็นวัดดังความหมายคนเห็นวัดต้องฝึกหัดดัดกายใจจึงจะได้บ่งชัดเห็นวัดจริงมาถึงวัดเห็นโบสถ์เห็นศาลาเห็นดินและต้นไม้ยังไม่ใช่เห็นวัดดังคำขานคนเห็นวัดต้องเห็นธรรมสัมมาญาณดูสังขารรู้ชัดเห็นวัดจริง เข้าวัดพัฒนาใจไฝ่กุศลเป็นมงคลชีวิตจิตแจ่มใสเข้าวัดปฏิบัติธรรมนำสุขใจสว่างสวัยไปวัดตัดห่วงกันเพื่อนร่วมโลกที่รักทั้งหลายเอย๋ยอย่าโศกเลยในอำนาจวาสนามันถือศีลแลธทมนำชีวาให้จิตกล้ายอมรับ กับความจริงปริวัติสร้างธรรมกรรมดีไปอย่าเยื่อใยดีร้ายให้ใครทิง้งมันทำความดีไปหนะ้าอย่าประวิงจากถึงสิ่งมุ่งหมายได้แน่นอนเมืองใดไม่มีทหารหารเมืองนั้นไม่นานเป็นฆ่าเมืองใดไรจอมภาราเมืองนั้นไม่ช้าอับจน เมืองใดไม่มีพาณิเลิศเมืองนั้นย่อมเกิดขัดสนเมืองใดไรศิลโสลเมืองนั้นไม่พ้นเสื่อมสามเมืองใดไม่มีกวีแก้วเมืองนั้นไม่แคล้วคนยามเมืองใดไรนารีงามเมืองนั้นหมดความภูมิใจเมืองใดไม่มีดนตรีเลิศเมืองนั้นไม่เพลิดพิสมัย เมืองใดไร้ศิลธรรมอัมภัยเมืองนั้นบรรลัยแน่เอยถ้าอยากจะดูสาวงามต้องไปเมืองเหนือถ้าอยากจะดูนาเกลือต้องไปสมุทรสงครามถ้าอยากจะทานข้าวลามต้องไปหนองมนหรือนคอนปรปฐมแต่ถ้าอยากจะดื่มนมต้องไปหนองโอพอําเภอมวกเหล็กสระบุรีนมดีกะรีดังนมก็คือนมฟาร์มโชคชัย กรีก็คือกรรีพรับแต่ถ้าอยากจะทานส้มโอต้องไปนครชัยศรีแต่ถ้าอยากจะดูพระดีชีดีหรือญาติยมดีหรือบำเพ็ญบุญบารมีหรือเจริญวิปัสสนาตามแนวทางมหาสติปทานสีก็ให้มาที่วัดป่าสุขโตแห่งนี้ มีความโลภเกิดเป็นเปรตอสุรกายโกรธมากมายไปนรกเป็นแม่นมั่นหลงสติเกิดเป็นเดรัจฉานพลันเป็นมนุษย์สินห้านั้นประจำตนการทำบุญให้ทานรักษาสินไปสวรรค์ไปพรมนั้นเจริญสมถกรรมฐานฌานจิตทั่วเจริญวิปัสสนาดับกิเลสเหตุมืดมัว คนความชั่วมีสุขซึ่งถึงนิพพานจบยมทางไปจะดสายยมไปไหนก็จบหลุแล้วก็จบแล้วนะเหมือนที่ว่าเดี๋ยวทามาต้องขออนุโมทนาบุญญาตยอมก่อนอนุโมทนาบุญและพระคุณเจ้าก็ดีที่ได้มาถือศีลปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุขโตแห่งนี้นะอาตมา ถ, ถ้าจริงๆแล้วก็ไม่ใช่พระนักเทศน์นักบรรยาย ไม่ใช่นักเทศนักบรรยายพอดีพระอาจารย์ไปสารท่านประชุมกระส่งและมอบชันทานุ ม, มัติให้อัตามาแน่มาปารัธรรมำก็ญาติยอมนะอัตามาก็ปฏิเสธท่านก็ไม่ยอมอัตามาก็เลยต้องจําเป็นและต้องจําใจเพราะไม่ใช่นักเทศและนักบรรยายเพราะที่นี่ก็มีครูบาอาจารย์นักเทศนักบรรยายเยอะอัตามาก็เลยต้องพูดเป็นแบบไม่ถึงก็แสดงธรรมเป็นปกินนธรรมปกินนกกธรรมเล็กๆน้อยๆ น, นะ มือนก็ต้มยําลมิดนะยมมีหมูกึกหมูหมึกกุ้งไก่เป็นต้นเงี้ยนะฮะฮะอัตมาก็นุ่นนิดนิ ด, นดหน่อยไปยงั้นนั่นนะฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ต้องฟังพยมมีหน้าที่ฟังอัตมามีหน้าที่พูดเนะี่ยะอัตมาต้องข อ, อนุโมทนาบุญกับญาติยมที่มาวันนี้เนาะวันนี้ก็อัตมาก็ได้ข่าวว่ามียมที่มาจากโรงพยาบาลใช่ไหม ย, ยม ลงพยาบาลพรุ่งนี้จะได้กลับนใช่ไหมโยมใช่ไหมมีไหมไหนมียกมือขึ้นนมีไหมมีไหมมีคนเดียวอมีแค่นั้นนึงเหรอไหนใครจะกลับพรุ่งนี้ยกมือขึ้นนะมีไหมเอามือลงที่มายกมือแสดงว่ายังอยู่ต่อไปสู้กันต่อไปนะะดีใจไหมโยมพรุ่งนี้จะได้กลับบ้านแล้วดีใจนะมฮะดีใจไหม คืนนี้ก็คืนสุดทองน้องสุดท้ายฝนสั่งฟ้าปลาสั่งน้องพี่สั่งน้องจําเป็น จ, ป จ, จําไปจําใจจําจากน้ําตาไหลล่วงจากมันเจ๊กจากเมืองจีนพะยมยมจะอาไลวัดป่าสุขตอมั้งนะยมอายมอไมาไลยมเหมือนก็เหมือนคนจีนเนี่ยก็จะจากเมืองจีนนะเขาก็เขาก็มีเสือผือนหมอนใบเขามาทํามากินนะเขาก็เขาก็มาด้วยความอาไลเขาอยากจะ เขาไม่อยากมาแต่ก็ต้องมาแต่ก็ต้องกลับปิดเขามีความอะไรและยมอะไรวัดป่าสุขตโตไม่ยมหรือจากมาตั้งนานจะได้กลับดีใจไม่ยมดีใจจะได้กลับบ้านนะ่ะจากมาตั้งมานตั้งนานพรุ่งนี้จะได้กลับใช่ไหมยมอมอาตมาไม่ได้พูดนะยมสติเตือนนะยมว่าอยู่กับกายกับใจนี่ก่อนนะอย่าเพิ่งนึกถึงบ้าน <c oughs> ยมที่จะกลับที่จะกลับก็ดีที่จะ โดยเฉพาะเน้นยมที่จะกลับนะพุ่งนี้ยนะพอยมก็มีเวลาเหลือน้อยใช่ไหมยมเวลาเหลือน้อยโยมก็น่าจะมีใครมั่งเนี่ยที่ว่ายมก็น่าจะปาลบฟวาเพียรให้มากที่สุดเลยยมวันนี้สื่อือในสัตชีและไม่ยมไม่ต้องนอนมีไหมอ่ะยมยกมือขึ้นมีไหมไม่ต้องนอนเลยไหนจะดูหน้าเนี่ยมีไหมไม่ต้องนอนปฏิบัติทำตลอดลูกเลยมีไหมพอจะต่อไปโยมมาต้องไปทํางานไปอยู่กับบ้านอยู่กับลูกหลาน เวลาก็เจะเหลือน้อยโยมจะปราลบความเพียรทั้งคืนนี้ไหมโ ย, ยมไม่มีนะ <c oughs> นึกว่ามีจะได้สาธุไม่มีนะอาตมามันนึกถึงตอนที่ไปปฏิบัติธรรมถวายบูชาอาจารย์บูชาติหลวงพ่อคำเขียนที่วัดภูเขาทองนะโยมนะก็ะคือเขาเรียกว่าถือเนสชีคือไม่ต้องนอนกันเลยไม่ต้องนอน เรปฏิบัติรำเหมือนก็มีอาตมาเท่าที่อาตมาสังเกตดูนะอาตมาก็เป็นหนึ่งในนั้นก็ไปอยู่ด้วยอาตมาก็ไปดูเลยว่ากรรมฐานมีหลายอย่างที่อาตมาไปดูอยู่ก็มีอยู่หลายแบบด้วยกันแบบที่หนึ่งก็คือกรรมฐานแบบพุท ธ, ธะหรือพุโทโธอุชุงกายยังตั้งกายให้ตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้ายอมหลังตรงคอตรงหน้าตรงกายเคลื่อนไหว ดูกายเคลื่อนไหวดูใจนะักคิดก็คือรู้ตื่นเบิกบานยอมว่าสร้างจังหวะกันก็ดีแล้วว่าเดินก็รู้ตัวเดินไปจะนั่งจะเหลียวจะแลจะทําอะไรยอมก็รู้ตัวนี่ก็คือกรรมาฐานแบบพุทธะหรือพุทโธคือรู้ตื่นเบิกบานกรรมาฐานอย่างหนึ่งที่เห็นนะอีกอย่างหนึ่งคือกรรมาฐานกบยมอมอาตมาเห็นกรมกรมฐานกบหรือยอมเคยเห็นกบไหมกบนั่งสมาธิยอมกบนั่งกรรมาฐานหลังงอคอตก ยอมบาคทีแรกก็ตื่นบอกบันตะบานมากันหลังงอคอตกยอมกบนั่งสมาธิอ่าที่นี่มีว่าหลังงอคอตกให้แต่กบในถึงอาจะคอหลังงอคอตกแต่เขาก็เข า, เขามีตัวรู้อยู่นะกบอ่ะพอแมงวันหรือว่ า, มาแมลงมาใกล้ๆจะหวัดแพลบเลยไอ้แต่ยมไม่เป็นอย่างนั้นไอ้ยมมันนั่งอย่างที่น้ําจิ้มไหลอ่านี่กรรมฐานที่ธรรมาเห็นก็มีแบบนี้แล้วก็จะมีกรรมฐานอีกอย่างหนึ่งคือกรรมฐานนกกระจอกอรรมาเห็นมีกรรมฐานนกกระจอกโดยยม นั่งคุยกันจอกแจ๊กจอกจ๊ับคู่กันก็มีจอกแจ๊กจอจ๊อีกอย่างนึ่งคือกรรมฐานงูเหลือมโยมกรรมฐานงูเหลือมเพนมาโยมนอนเหยียดยาวเลยกรรมฐานงูเหลือมแล้วต่อมาก็เห็นกรรมฐานอีกกรรมฐานไปต่างประเทศด้วยสามประเทศด้วยกันอิสราเอลเลบานอนอาลรับแล้วก็มา ต่างจังหวัดด้กลับมาสกลนครมโยมโกนกันดังหน้าดูเออไปอิสราเอลเลบานอนอ่ะหลับกลับมาสกลนครอีกเนี่ยมันมีประมาณน่นกากรรมฐ า, านที่ที่ดูดูอยู่มีประมาณนั้นนะ <c oughs> ่ะอาตมาแท้จริงแล้วก็ไม่ใช่นักเทศน์นักบรรยายนะยมก็มาพูดประกินานักการทเล็กๆในน้อยนะเล็กๆในน้อยแท้จริงก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับปฏิบัติก็คงไม่อ่ะ พอครูบาอาจารย์ก็เยอะแล้วยงก็ได้ฟังมามากแล้วอาตมาก็ฟํารู้ก็ไม่มากเดี๋ยวจะมพะพร้าไปขายสวนมพะพร้าวไปขายสวนประปับก็เอาเล็กๆน้อยๆนะครับที่ฟังได้ก็เอาแบบเล็กๆน้อยๆอาจจะไม่เนื้อหาสาระมอาจจะมีน้ํามากน้ําอาจจะมากไปหน่อยนะยองนะเขา <c oughs> บอกว่ายมที่มาประชุมด้วยกันเน่ยมีสามคณะด้วยกัน สามคณะด้วยกันไม่รู้โยมอยู่คณะไหนนะคณะที่หนึ่งเรียกว่าคณะปุรกะมาประชุมกันให้มากเข้าไว้ก่อนถึงเวลามาทำวัดสวดมนต์อรหังสัมมาสัมพุทโธพระขาวาพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างเงี่ยไม่มีเลยไม่อยู่ไปไหนก็ไม่รู้เออมามาไหว้พระสวดมนต์มาสั่งทำอย่างเงี้ยไม่มีมาปฏิบัติธรรมเนี่ยหาย มาประชุมให้มากไว้ก่อนถึงเวลาปฏิบัติธรรมทำบัณฑมนไม่เจอเลยเออมีป่ะไม่รู้ไหนมียกมาขึ้นมีนะฮะแต่แม่ครัวไม่ว่ากันเพราะถ้าว่าไม่ได้เดี๋ยวจะมาอดพรุ่งนี้ไม่มีฉันหนึ่งคณะปูรกะสองคณะปะทสะคณะปะทศะเนี่ยมาแล้วก็มาคุยกันมาคุยกันมาสร้างความรำคาญเดือดร้อนให้ผู้อื่น อาตมาเคยได้ยินยมที่เขาไปปฏิบัติธรรมมณมมาก็เคยเห็นเขาเป็นนอนโยมเขาจะไปนอนรวมกันที่ศาลาบางทีโยมเยอะกนอนศาลาก็นอนติดๆกันเหมือนนักโทษนอนติดๆกันนะนะนอนติดๆกันแล้วก็คุยกันะถึงเวลานอนก็ไม่นอนนักคุยกันเสียงดังลั่นเลยจอกแจ๊กจอแจ๊ดไอโยมผู้หญิงคนนั้นก็บอกแหมกูเมื่อคืนนี้นอนไม่หลับเนี่ยมันคุยกันแล้วกินไม่คุยมันรุนคุยกันทําห่าเลยว่างั้น ไม่รจะมาทําไหมนี่กูน่นอนไม่หลับทั้งคืนเลยแบบนี้ก็มีนะเพราะฉะนั้นยอมก็ที่ยอมมานี่ยก็ยอมก็มายอมก็ออย่าคุยมากนะยมนะยอมมาอยู่ในอยู่ที่อยู่ที่นี่ยอมก็อย่าคุยมากยอมก็อยู่ที่นี่ยมก็อย่าเห็นแก่ตัวนะยอมนะอย่ากลัวลําบากอย่าพูดมากเกินไปให้อภัยซึ่งกันและกันนะยมนะอย่าเห็นแก่ตัวนะยอมนะ แต่ถ้าเห็นตัวแก่ดีใครเห็นตัวแก่มัม้งนายยมมีมายกมือขึ้นได้เริ่มเห็นธรรมะแล้วเออเริ่มเห็นธรรมะแล้วความเป็นอนิจจังทุกขังนาตาโดยเพราะนาตาบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่เรานะเห็นตัวแก่ดีนาะยยมดีพอเห็นแก่ตัวนะแล้วก็ยมก็อย่า ก, กลัวลำบากมาอยู่นี่อาจจะลำบากไม่สบายเหมือนอยู่ที่วัดที่บ้านนาะยยมนะอาจจะลาบาก นอนนอนแต่ดึกตื่นก็เช้ามืดอย่างเงี้ยต้องอย่ากลัวลำบากเพราะว่าอย่าเห็นแก่ตัวอย่ากลัวลำบากอย่าพูดมากเกินไปให้ภัยซึ่งกันและกัน <c oughs> อย่ากลัวลำบากเพราะฟาร์มลำบากมักสร้างคนฟารมสมบายมักทำลายคนฟาร์มจนมักสร้างบัณฑิตฟาร์มผิดมักสร้างปัญญานยะโยมนะอย่าพูดมากเกินไปก็คือก็โยมก็พูดน้อยนักปฏิบัติธรรมก็คือกินน้อย นอนน้อยพูดน้อยแต่ทำความเพียรให้มากและยอมก็ให้ภัยซึ่งกันและกันเพราะที่ยอมมาอยู่ก็คือเหมือนกับเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเคยเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกันมานะผูเจ้าบอกสัสตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้นี้ที่จะไม่เป็นญาติไม่เป็นพี่เป็นน้องกันนั้นหาได้ยากเพราะนั้นยมอมมา จ, จะเป็นญาติเป็นพ่อแม่พี่น้องมาบำเพ็ญบารมีร่วมกันเพราะฉะนั้นก็อยู่ได้กันก็ อย่าเห็นแก่ตัวอย่ากลัวลําบากอย่าพูดมากเกินไปให้อภัยซึ่งกันและกันอาโยมท่องตามเนีย่ยอย่าเห็นแก่ตัวอย่ากลัวลําบากอย่าพูดมากเกินไปให้อภัยซึ่งกันและกัน <c oughs> อ, อ่นีสองคณะแล้วนะ <c oughs> มันมีคณะหนึ่งเมื่อกี้คณะประโทสะนะที่คุยกันนะมีคณะโสพนะคณะโสพนะนี่มาประชุมและดูฟ้าดูงงดงามดีโยม คือตั้งใจปฏิบัติกันสร้างจังหวะก็ดีฟังธรรมก็ดีไหวพระสดมนหรือเดินจงกรมเนี่ยโยมก็ตั้งใจกันดีอย่างเงี้ยคณะแบบเนี้ดูแล้วงดงามไม่รู้โยมอยู่คณะไหนไม่รู้นะหลับกบทเหตุที่เหตุที่สาเหตุที่โยมไม่เข้าวัดนี่มีเจ็ดประการโยมโยมที่นั่งในนี้ไม่มีหรอกอาจจะน้ําไปหน่อยนะเหตุที่โยมไม่เข้าวัดเจ็ดประการเนี่ยแต่ที่โยมมานั่งนี้ไม่มีเหตุเจ็ดประการ หนึ่งเพราะความประมาทสองตัดห่วงไม่ขาดสามฉลาดฝ่าประเทศสี่เศรษฐกิจไม่อำนวยผ้าสังขารไม่ช่วยหกพระให้หวยไม่ถูกเจ็ดวัดไม่ปลูกศรัทธาจะไม่ยมยมมานั่งนี่คือไม่ประมาทแล้วคือไม่ประมาทไงไม่ประมาทโมเมาในในวัยว่าตอนนี้เราอายุยังน้อย อายุยังน้อยยังไม่ต้องเข้าวัดปฏิบัติธรรมแต่โยมก็มากันอายุยังน้อยก็มิดถือว่าไม่ประมาทนะไม่ประมาทมัวเมาในวัยในชีวิตก็คือไม่หลงเพลิดเพลินในชีวิตมัวจะทํางานหาเลี้ยงชีพอย่างเดียวหลงเพลิดเพลินไปก็รบเสียงกินรสสัมผัสโยมก็ไม่หลงโยมถึงเวลาโยมก็มากันแล้วก็ไม่ไม่มัวเมาไม่ประมาทมัวเมาในความไม่มีโรค เรายังไม่มีโรคภยครัยไข้เจ็บยังไม่เป็นโรคมะเร็งเป็นต้นเลยมันยังไม่ต้องเข้าวัดปฏิบัติธรรมยังไม่ตายยมก็ไม่มีตรงนี้นะยมก็ไม่ประมาทละสองตัดห่วงไม่ขาดยมก็ตัดได้แล้วปุดตังที่เราสวดกันเมื่อกี้สามบ่วงเมื่อกี้มนุษย์เราเอ้ยเกิดมาทําไมเมื่อกี้นะปุดตังคีเวบุตรเป็นบ่วงผูกคอท่าน ขนะปาเทซับเป็นบ่วงล่ามเท้าสามีภรรยาหัเทสามีพันรยาเป็นบ่วงผูกมือใครพ้นบ่วงสามบ่วงนี้ได้ไปนิพพานยมก็ไกลไปเลยใช่ไหมยมนิพพานพูดถึงบ่วงสามบ่วงนี้ก็สมัยหนึ่งพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เดินทางผ่านไปในที่แห่งหนึ่งยม ก็เจอคนก็จองจํากันถูกจองจําถูกจองจําด้วยโซ่โดยตรวนนะ่ะนะสงสา ว, วก็กลับมาหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ทูลนะพุทธเจ้าฟังอย่างเนี้ยบอกเป็นอย่างนี้อย่างเงี้นะพุทธเจ้าก็บอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่พวกเธอเห็นนะห่วงที่พวกเธอเห็นเนี่ยมันแก้ไม่ยากหรอกมันผูกตึงแต่มันแก้ไม่ยากหรอกแต่ห่วงที่แก้ยากคือห่วงบทภรรยาสามีทรัพย์เนี่ยมันแก้ยากมันผูกย่อนหย่อนแต่แก้ได้ยาก หมือนยอมเนีบางคนพอจะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมาได้ยากเพราะว่าห่วงสามีภรรยาห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สินอะไรเป็นต้นหนึ่งหน้าที่กางานเนี่ยเนี่ยยอมก็มาได้ยากแต่นี่ยอมตัดได้นลยอมตัดได้ตลอดนะยอมตัดได้ตลอดไม่ได้ตัดได้แค่สองสาวันห้าวันเจ็ดวันเดี๋ยกลับไปก็อยู่กระ บ, บวงใช่มหมยอมตอนตัดห่วงไม่ขาดฉลาดกว่าพระเทพเดี๋ยวตะมาก็จะเอาย่อดดีว่า สลบแล้วสาเหตุที่ยมไม่เข้าวัดก็มีเจ็ประการของอธิบายมากนั้นหนึ่งตัดห่วงไม่ขาดสองฉลาดฝ่าประเทศสามเศรษฐกิจไม่อํานวยฉลาดฝ่าประเทศเศรษฐกิจไม่อํานวยสังขารไม่ช่วยก็คงไม่ต้องบอกนะสังขารไม่ช่วยพระให้สังขารไม่ช่วย เพราะความประมาทตักทวงไม่ขาดฉลาดฝ่าพระเทศเศรษฐกิจไม่ช่วยสังขารไม่อำนวยพระให้หวยไม่ถูกวัดไม่ปลูกศรัทธายมตัดได้แล้วนะแต่ยอมมานี่ยมไม่ต้องมีเหตุสี่ประการอีกแหละไม่มีไม่มีเจ็ดแต่มีสี่หนึง่งกระตันยูชักพายมก็มีความกระตันยูรู้คุณอย่างเช่นรู้คุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ยอมมาปฏิบัติธรรมเนี่ยคือยอมได้เคยได้ฟังธรรมมา ของพระพุทธเจ้ามาได้ฟังทำรรมาว่าในอวัตปะอวัตปะติโมกข์ก็คือให้ละชั่วทำดีทำจิตให้ป่องใสนะโยมก็มากันเป็นต้นนะนะและได้ฟังพวกทำต่างๆที่อริยสัจสีก็ดีหรือว่าสติปัฏฐานสี่เป็นต้นนะนะคือให้ละชั่วทำดิทำดีทำจิตให้ป่องใสโยมก็ูลคุณของพระพุทธเจ้าโยมก็มาปฏิบัติเป็นถวายเป็นพุทธบูชาด้วยกันนะ พอระพุทธเจ้าทรงบูชาผู้ที่ปฏิบัติบูชาอมิตรบูชาพรุทธเจ้าบอกการที่อมิตรบูชาถวายพระพุทธเจ้าพรุทธเจ้าบอกตัดว่าถือว่าเป็นการบูชาพรุทธเจ้าเหมือนกันแต่ถือว่าเป็นการบูชาแบบได้ผลอยู่เหมือนกันแต่ถ้าใจดีต้องปฏิบัติบูชาเหมือนยอมมาปฏิบัติกันเนี่ยมาเจริญสติมายกมือสิตรจังหวะอันนี้มาเดินจงกรมเป็นต้นนะนะแล้วก็ยอมก็มีฟั่มกระตันญูรู้คุณต่อ รู้คุณต่อมารดาบิดาว่าที่ยมมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้มีเลือดมีเนื้อมีร่างกายในพ่อมีพ่อมีแม่พระก็เหมือนกันพระใหม่เป็นต้นนะนะที่มาบวชอย่างนี้เขาก็คือราลึกนึกถึงคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาให้มีการศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ให้มีชีวิตโต่อมาจนถึงทุกวันนี้ได้เพราะว่ามีพ่อและมีแม่ให้เลือดให้เนื้อแล้วก็ให้การศึกษาเลี้ยงดูให้ชีวิตเรามายอมก็มาตอบแทนคุณพ่อแม่รู้ว่า ยัดยมมาหรือพระคุณเจ้าที่บทใหม่มาถือสินปฏิบัติธรรมก็คงจะดีใจคงจะดีใจว่ายมมาเพระพฤ้นดีปฏิบัติชอบกันเอากายเอากายยาววานหนัคืบฟังศอกเนี่ยที่พ่อแม่ให้มาประครบประงมมาตั้งแต่เล็กมายันโตเนี่ยมาสร้างคุณงามความดีมาไหวพระสวดมลมาปฏิบัติธรรมจเจริญกรรมาฐานกันเนี่ยท่านรู้ท่านจึงคงอนุโมทนาสาธุดีใจในะยมนึกถึงที่หลายท่านกับเพื่มใจ ว่ายอมมาที่วัดป่าสุขตมาปฏิบัติธรรมกันพระคุณเจ้าก็เช่นเดียวกันก็คงจะเพิ่มใจนะหนึ่งกัจจันยูชักพาสองศรัทธาชักนำํำยมก็มีความศรัทธาในคําสอนของพุทธเจ้าเช่นกรรมกรรมศรัทธาเชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วมีอยู่แล้วก็กรรมวิปากศรัทธาเชื่อว่าผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วยังมีอยู่แล้ววิปากศรัทธาเอ้แล้วก็ กรร ม, มะสะกะตาตถาเชื่อว่าเรามีกรรมเป็นของตนแล้วก็ตถาคตโพธิ์ที่ศสัทธาเชื่อว่าเชิญในคําตัดคำตัดสโลดีของพระพุทธเจ้าว่าทางนี้ทางเดียวที่จะเป็นทางให้พ้นทุก์พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็คือการเจริญสติปัฏฐานสี่หรือเจริญวิปัสนาตามแนวทางมหาสติปัฏฐานสี่หรือมัคมีโงแปดที่ยมมาทำเนี่ยสามารถพ้นทุกได้โยอมก็มากัน ประการที่สามยาติธรรมชักชวนที่ยมมาเนี่ยอาจจะยอมบางคนอาจจะไม่เคยมาแต่อาจจะมียาติธรรมหรือมีเพื่อนกันมาชักชวนยอมว่ามาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุกตะกันดีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยยอมก็เลยมากันหรือมีกาลยานมิตรนะที่พระเจ้าบอกกาลยานมิตรเนะี่ยเป็นทุกอย่างของพร ม, มจันทร์ประการที่สี่ก็คือสังคมชักชวนยอมบางท่านอาจจะดูในเน็ตหรือดูในเฟสก็ได้ เห็นคนเข้ามากันเป็นจํานวนมากมายกมือสร้างจังหวะมาทําอะไรเข้ามาทําอะไรกันเนาะเห็นบานเตะแล้วลองมาดูด้วยมาทําอะไรกันอยี่ยมบางคนก็ลองมาดูสังคมชักจูงยง็เลยมาดูกันนะนะ่ะเนี่ยก็มีสี่ประการเนี่ยเนี่ยที่สี่ประการเนี่ย <c oughs> ที่ยมมาเนี่ยไม่มีเหตุเจ็บแต่มีเหตุสี่ประการไม่อย่างไดก็อย่างหนึ่งต้องมีคร <c oughs> าวนี้อาตมาจะมาดูคนที่ ยอมมีมียมอยู่คนหนึ่งอายุสามสิบแปดอายุสามสิบแปดยอ ม, ยมเป็นคนอยู่ที่เมืองสี่แฟแห่มังกรพักผ่อนบึงบอ ร, ระเพ็ดปลารสเด็ดปากน้ำโพอยู่ที่ไหนยมนครสวรรค์คนนครสวรรค์ป่ะใช่ไหมแอม นะครตะวันก็มาดูด้ยมีศรัทธามาเยี่ยนนี่ <c oughs> ก็มียมผู้ชายคนหนึ่งอายุสามสิบแปดโยมไม่เคยเข้าวัดไม่เคยเข้าวัดสามสิบแปดแล้วนะไม่เคยเข้าวัดวันนึงเกิดป่วยใกล้จะตายแล้วใกล้จะตายญาติก็มานิมนต์พระมานิมนต์พระให้ให้ไปบอกทางหน่อยให้ไปบอกทางหรือว่าไปให้เห็นหน้าหน่อย เหมือนมันตกุนดารีนะเห็นแค่พระพุทธเจ้าก็สามารถไปสวรรค์ได้แต่คงไม่เล่ามันยาวก็คือว่าให้พระมาบอกทางหรือว่าให้มาให้มาให้สติให้ให้ยมให้ให้สติหรือว่าให้สติยมอ่ะหรือว่าให้ยมเห็นพระจะได้ไปดีหรือมาถวายทานก็ว่าไปเออญาติญาติญาติของผู้ชายคนนั้นก็มามาหาพระทิวัดแต่ไม่ใช่พระวัดป่าสุกตนะมาหาปรากฏว่า มาบอกว่านิมนต์พระคุณเจ้าไปบอกทางหน่อยไปบอกทางหรือไปช่วยปลดญาติหน่อยเพราะกําลังจะเสียชีวิตแล้วไม่เคยได้ทําบุญไว้เลยโยอมก็มาถึงมาบอกพาพ่อพาท่านก็จะไปเหมือนกันยอมกําลังหาผ้าจะหม่มจีวรปรากฏว่าหาเท่าไหร่หาไม่เจอโยมจนในที่สุดจนในที่สุดโยมก็กลับไปยอมที่มาตามนิมนต์ก็กลับไปพอกลับไปพามาเปิด มาเปิดผ้าดูมาเปิดตรงที่นอนอนะ่ะมาเปิดใต้ใต้ที่นอนดูปรากฏว่าจีวออยู่ในใต้นั้นก็หอมผ้ากําลังจะเดินไปปรากฏว่าเขาจุดโพยอมปึงปึงปึงเป็นนิมิตหมายว่าเป็นนิมิตหมายว่าว่าลายมตายแล้วใช่ไหมเขาจุดนะี่ยเป็นสัญญาณบอกว่าตายแล้วใช่ไหมใช่ปะเขาจุดแล้วเป็นลางบอกบางที่เขาจะจุดนะว่ามีคนตายเกิดขึ้นในหมู่บ้านที่กันดารนั่นนะ นี่ครับคือพระก็ไม่สามารถที่จะตามไปโปรดทันนะโย ม, มเพราะฉะนั้นยอมยอมจะเข้าวัดตอนยอมมีชีวิตอยู่หรือยอมจะเข้าวัดให้พระไปจูงศพมาหรือว่าให้ญาติไปจูงศพมาเข้าวัดยอมจะเข้าตอนไหนหรือว่ายอมจะยอมจะ สมาทานรับสินตอนที่ยอมตายไปแล้วหรือฟังพระสวดอภิธรรมที่ก็ทั่วๆไปที่ไปเคาะลงอ่ะพ่อรับสินนะพ่อฟังทำนะเป็นต้นอย่างเงี้ยยอมจะรับสินได้ไหมตอนตายแล้วจะฟังทำได้ไหมอ่ยอมก็ทำไม่ได้จะมาเพราะนั้นยอมต้องทําตอนเป็นตอนนี้แหละยอมเวลานี้ดีที่สุดเวลานี้ดีที่สุดวั น, นไหนๆก็ไม่สําคัญเท่าวันนี้หรอก เพราวันนี้สําคัญฝ่าวัน ไ, นไหนวันที่ผ่านมาก็ดีหรือวันต่อๆไปก็ดีที่เราคิดว่าดีอย่างไรก็ไม่สําคัญเท่าวันนี้เพราะวันนี้ยังมีลมหายใจนิยมนะยอมจะไหว้พระสวดมนต์เองหรือยกมือไหว้พระเองหรือยอมจะให้สับ ป, ปะเลอเขายกมือผนมแล้วก็ดอกไม้ทุบเทียนใส่ให้ยอมยอมจะทําตอนไหนยอมผู้ชายคนนี้เข้าลักษณะที่ว่าวัดไม่เข้าเล่าไม่ขาดบาทไม่ใส่ ให้ไม่ละแถมมาหัวพระเป็นปฏิทินยอมเอออาตามาเคยไปที่จังหวัดนครนายกไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นอยอมวันนั้นอาตามาก็กอนผมใบวันพระนะก่อนวันก่อนแล้วก็วันวันลุกขึ้นบนวลุพระยอมเห็นอาตามาเดินผ่านไปยมบอกลูกสาวเฮ้ยวันนี้วันพระหรือไงเนี่ยเอาเดี๋ยวหัวพระเป็นปฏิทินนั่นแหละ <laughs> เออแบบนี้ก็มีนะเออคราวนี้อาตามาจะมาพูดถึง อันนีสงยอมอานนีสงเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการฟังธรรมนะห่ยอมฟังธรรมม่นนะเกี่ยวกับการฟังธรรมเนี่ยฟังธรรมเนี่ยเขาบอกถ้าฟังด้วยดีและได้ปัญญาถ้าฟังไม่ดีและมีปัญหาสุดสังรละประเตปพัญยังการฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญามียอมผู้หญิงคนหนึ่งยอมผู้หญิงคนหนึ่งฟังธรรมยอม พอพระเทพทางโยมคนนั้นก็ห ล, ลหลับเลยหลับเลยตอนพระจบพระก็บอกว่าโยมคนใดที่ตั้งใจฟังก็กขอให้มีความสุขความเจริญทั้งในชาตินี้และชาติหน้าส่วนโดนโยมท่านใดที่นั่งฟังทางทําแล้วหลับเกิดชาติหน้าขอให้เป็นจริงจกตุกแก่โยมคนนั้นรู้สึกตัวได้สติมายอมวิญญาณเข้าล่างแหละก็รู้สึกตัวก็สาทุแกไม่รู้ว่ากันให้แกเป็นจริงจกตุกแกเพราะการฟังธรรมเนี่ยบอกมีหลายอย่าง หนึ่งฟังไม่รู้เรื่องสองฟังหาเรื่องสามฟังเป็นบางเรื่องสี่ฟังเอาเรื่องเนี่มีหลายเรื่องนะแล้วก็ฟังแบบฟังเป็นบางเรื่องก็มีแต่มีโยมดูคนหนึ่งโยมถ้าโยมฟังให้ดีเนี่ยเขาบอกการฟังทำเนี่ยอันที่สองมีห้าประการใช่ไหมโยมโยมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังสิ่งใดที่ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดด้อมเข้าใจสิ่งนั้งชัด แล้วก็ทให้คลายความสงสัยทําความเห็นให้ถูกต้องจิตของผู้ฟังย่อมผอ่องใสขึ้นก็คือว่าได้ความรู้ใหม่ได้วิจัยเรื่องเก่าได้บรรเทาความกังขาได้พัฒนาความคิดได้ทําจิตให้ผ่องใสเบิกบานการฟังธรรมเหมือนสร้างถ้าให้แก่ใจฟังฟังไปเกิดความรู้สุดสูงสังใจเปรียบเหมือนเสือธรรมเปรียบเหมือนถ้าคอยกาําบังหูเราฟังใจเราฟิต จ, จิตจะได้สบายนะยมนะฟังเทศแล้วหายช้ําฟังธรรมแล้วหายโง่ แต่ถ้าฟังเสกโลโซแล้วจะสมสารสมสารยอม <c oughs> พูดถึงงานนี้สงการฟังทรรมจริงๆแล้วนะเอาแบบที่ว่ายมผู้หญิงคนนึนฟังทรรมเอาเรื่องยอมมาดูฟังเอาเรื่องก่อนเดี๋ยวจะจบแล้วพอเวลาใกล้หมดแล้วอาตมาจะมีแต่นำๆก็ยังไม่เข้าเนื้อเรื่องเท่าไหร่เอาลำพบทยาวไปหน่อย ก็มียอมผู้หญิงคนหนึ่งยอมแกแต่งงานอยู่กับสามีมาแกก็กล่าวว่าชีวิตนี้จะอยู่ได้กันแบบถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอกยอดเพชรให้ ม, าม่ายอมแต่อยู่ต่อไปต่อมายอมสามีเป็นเมียเมียน้อยยอมขนาดไม่มีเมียมากนะมีมีเมียน้อยแกก็เศร้าโศกเสียใจยอมทั้งรักก็เหลือแสนทั้งแค้นก็เหลือหลาย เศราโศเสียใจไม่เลยทำยังไงดีโยมจะไปกระโดดน้ากระโดดน้ําตายที่สะพานพระพุทธยอดฟ้าโยมกระโดดน้ําตายที่สะพานพระพุทธยอดฟ้าโยมสิ่งเขาบอกสิ่งที่ทําให้คนเราเนี่ยเป็นทุกข์มากที่สุดก็คือสิ่งที่รักมากที่สุดแต่มาโยมถ้าเรารักสิ่งใดมากสิ่งนั้ น, นจากเราไปเราจะเป็นทุกข์มากที่สุดถ้ารักมากทุกข์มากลําบากนัก ถ้ารักบ่อยทุกบ่อยแน่แก้ไม่ไหวถ้ารักน้อยทุกน้อยค่อยคลายใจถ้าไม่รักเป็นสุขทุก้ยถ้าไม่รักหมดทุกสุขยั่งยืนที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกขรักหนึ่งทุกหนึ่งรักสองทุกสองรักร้อยก็ทุกร้อยถ้าไม่มีรักเลยก็ไม่มีทุกเลยยงคืนนี้แกก็จะไปกระโดดน้ำตายที่สะพานพระพุทธยอดฟ้า แต่ขณะที่แกเดินทางไปวันนั้นนะวันนั้นวันนั้นเป็นวันพระพอดีพระท่านเทศตามสายยอม <c oughs> เทศออกลํำพงตามเสียงตามสายออกลํำพงยอมแกได้ยินว่าวันนี้พระเทศในไหนจะตายแล้วขอฟังทำรรสักหน่อยฟังทำก่อนตายสักหน่อย <c oughs> แกก็ตั้งใจฟังธทรำรปรากฏวันวันนั้นพระท่านกับเทศเทศ เทศตรงตรงโดนใจนางพอดีเลยก็คือพระท่านบอกว่าคนเราเนี่ยที่เกิดมาเป็นทุกข์เนี่ยมันมีหลายอย่างนะเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์พัดภาคอะไรเป็นทุกข์นะแต่พระท่านเทศตรงนี้เกี่ยวกับประเด็นตรงนี้ว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเป็นทุกข์ทุกเพราะทุกเกี่ยวแก่ทุกเพราะว่าย่อมพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ซึ่งทุกคนที่เกิดมาย่อมจะต้องประสบ จะจากกันยามเป็นหรือยามตายคือต้องประสบคือต้อ ง, ต, องต้องพัดพรากทุกคนจากของรักและสิ่งที่รักเป็นต้นยมคนนี้ได้ฟังแล้วยมได้ฟังทำแล้วไม่คิดฆ่าตัวตายแล้วเพราะว่าไม่ใช่เราคนเดียวเท่านั้นที่สามีเปเมียไม่น้อยหรือว่าจะต้องพลัดพรากจากบุคคลอั้นเป็นที่รักคนอื่นก็เช่นเดียวกันพอได้พอได้สติแล้วสติมาปัญญาเกิดยมสติทะเลิดก็จะเกิดปัญหา สติมาหมาไม่กัดยอมแต่ถ้าถ้าสติถูกตัดจะกัดกับบาลายมยอมคนนี้แกได้สติได้ปัญญายอมไม่ฆ่าตัวตายแล้วกลับบ้านยอมไม่ตายดีกว่าประโยู่กับพ่อกับแม่หรือว่าไปอยู่กับญาติดีกว่าหรือว่าทําบุญในพุทธศาสนาดีกวา่าที่จะมาฆ่าตัวตายปรากฏว่าขากลับยอมซื้อลอตเตอรี่มาหนึ่งคู่สมัยก่อนนาะยยอมซื้อลอตเตอรี่หนึ่งคู่ปรากฏว่าพอไปตรวจลอตเตอรี่แล้วถูก ถูกลงวันที่เท่าไหร่ยมฮะที่เท่าไหร่ที่ที่หนึ่งผิดโยมรางวันที่หนึ่งอยู่ในอยู่ในอังศาตมาเนี้เพราะถูกใงวันที่สองหรือที่สามมั้ยหรือยมสมัยก่อนคงเยอะอยมอ่าคงจะเยอะอยมเพราะว่าพอพอพอถูกลงวันแล้วสามมีก็รู้ว่าถูกลงวันที่หนึ่งะนะ ไปผูกดวลที่สองหรือที่สามก็ทุลุ้ว่าถูกหวยลอตเตอรี่ก็เลยจะมาขอแบ่งทรบพยม์มจะมาขอคืนดีถ้ายอมให้ดีให้คืนดีไหมโยมจะมาขอคืนดียอมให้นะมสมมุตินะ่ะสมมติยมที่แต่งงานแล้วผัวทิ้งไปโยมมาขอคืนดีเนะี่ยให้ยมยอมให้คืนดีไหมาหม า, นะายไหมหายไหมนะใครใครให้ยกมือขึ้นนะเออแต่โยม เอ่ยอมยอมมีใจดํานั่งใส่ไม่ให้คืนดีแต่ยอมแต่ยอมผู้หญิงคนนั้นใจดียอมใจดีป่ะยอมผู้หญิงนนั้นเช่นเดียวกันยอมไม่คืนดี <c oughs> ไม่คืนดีด้วยแต่สามีมาขอแบ่งทรัพย์ยอมให้ไหมขอแบ่งครึ่งหนึ่งอเออขอแบ่งครึ่งหนึ่งนี่แต่เธอไม่ได้ฉันนี่ยเธอก็ไม่ถูกงันวันแล้วเพราะฉันฉันทิ้งเธอไปเธอถึงจะไปโดดน้ําตายแล้วซื้อลอตเตอรี่มาเออเธอถึงได้ถูกหวยไงเออ ปรากฏว่ายอมก็ก็แบ่งให้สามมีครึ่งหนึ่งและครึ่งหนึ่งนางก็เก็บเอามามานางก็ไปบวชเป็นชีแล้วก็มาถือศีลปฏิบัติธรรมแต่ไม่ใช่วัดป่าสุขตัตโตนะเออมาถือศีลปฏิบัติธรรมเหลือเงินอีกครึ่งหนึ่งนะโยมเนี่ยฟังทำแค่นิดนิดเดียวสามารถพลิกชีวิตยากได้โยมถ้าโยมจับเอาเนื้อเรื่องนิดเดียวเท่านั้นโยมก็จะได้ได้ามาเป็นข้อคิดและมาพิจารณายมมว่าจะเกิดปัญญาแค่นิดเดียวสามารถพลิกชีวิตจากจะตายไม่ตายโยม ถ้าตอนตายในจิตเศ้ามองไปไหนโยมโดดน้ําตายไปไหนอะจิตเตอสังกิลเลเถสุกติปาติกลางขอจิตเตสังกิลเลเถทุกติปาติกลางขาถ้าจิตเศ้ามองและทุกขิก็เป็นที่หวังในะมัยโยมแค่นัออ้น <c oughs> แล้วก็จะมาจะเล่าเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่ ง, อ, อ, ง, งอาจจะเกินเวลานิดนึงอาจจะไม่มีเนื้อ อ, อะไรเท่าไหร่นาโยมยังไม่ได้เข้าอะไรปฏิบัตินะอลำบาบทนะ่อ ก็จะมีเกี่ยวกรรับการตัดการสังทำยอมก็มีอีกคนหนึ่งนักโทษฟังรรมม่งทำยอมนักโทษสั่งทำนี่ยังไม่ได้ไปถึงพระคุณเจ้าใหม่ๆเลยนะ ย, ยังไม่ได้ยังไม่ได้ย้อนได้ถึงพระคุณเจ้าเลยเอาแต่ยอมกันนี่ก็จะเกินเวลาและขอจิตเดี๋ยวขอเวลานิดหนึ่ง <c oughs> มียอมผู้ชายคนหนึ่งยอมยมผู้ชายคนหนึ่งานน ง, งานการไม่ทำยมวันวันหนึ่งจะลักซัพย์แล้วก็ปลนทรัพย์ สุดท้ายก็ปลนศัพท์เขาแล้วก็ฆ่าเจ้าศัพตายแล้วก็ยิงตำรวจตายยมยิงตำรวจตายต่อมาเจ้าหน้าที่จับตัวได้ยมให้ฟังเทศยมนิมนต์พระให้มานิมนต์พระให้มาเทศให้นักโทษฟังเป็นเทศฟังเทศกันสุดท้ายยมจะฟังกันอีกคนละกิจการยมนักโทษคนนี้ฟังเทศกันสุดท้าย วันนั้นพาท่านกระเทศเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมยมฟังไปแล้วยอมน้ำตาไหลสำนึกได้ยมสำนึกได้น้ำตาไหลเอามือล่วงไปในกระเป๋ายมฟักตังออกมาได้นับได้ห้าร้อยบาทยมจะติดกันเทศหน่อยถ้ายอมจะตายแล้วยมยอมจะเข้าไปสู่แดนประหารเนี่ยยอมจะตายในวันเนี่ยฟังเทศก็ฟังเทศกันสุดท้าย มีตังค์ก็ห้ารอยบาทยมจะติดกันเทศเท่าไหรย่ยอมอ่าอาตอมาคงให้ยกมือเดี๋ยวจะเสียเวลามานักโทษคนนี้ยอมยอมก็ตอบในใจแล้วกันนะมีห้าร้อยยอมจะติดกันเทศเท่าไหร่ยมก็ตอบกันในใจกันแล้วกันแร้ก็ด้านักเทษคนนี้ยมนับตังค์ออกมาห้าร้อยเนี่ยติดกันเทศสองร้อยบาทยอมสองร้อยบาท ที่เหลือสามร้อยบาทสงสัยจะไปกินชาติหน้ากัมั้งก็เวลายังเหลือจิ๊ดหนึ่งยมเจ้าหน้าที่จัดอาหารเป็นชุดพิเศษให้กินอาหารมื้อสุดท้ายยอนจะกินอาหารกันคนอีละอีกกมื้อยมนักโทษก็ได้จะกินอาหารมื้อสุดท้ายอย่างดีเลยแต่รู้สึกว่ากินเข้าไปสองคำคำนะคอมันตีบยมกลืนไม่ลง <c oughs> กลืนไม่ลง เวลาเหลือจิตหนึ่งเจ้าหน้าที่ส่งปากกาให้หนึ่งด้ามกระดาษหนึ่งแผ่นแล้วก็สองจดหมายสมัยก่อนนี้นะให้นักโทษเขียนจดหมายเป็นจดหมายฉบับสุดท้ายสมัยก่อนนี้ไม่มีฮัลโหลนะฮัลโหลแล้วสองลายไม่มีนะฮัลโหลอยู่ไหนอะไรไม่มีนะมีแต่โทรศัพท์แล้วก็มีทโทรศัพทอะไรเงี้ย ให้นักโทษเขียนจดหมายฉบับสุดท้ายถ้ายอมจะตายยอมจะเขียนจดหมายถึงใครยมเขียนถึงใครไม่รังตอบถ้าได้ยินพอเกินเวลาไปแล้วตอบในใจก็ได้ถ้าจะมาถามก็จะยาวไปเดี๋ยวจเจาอีกจิ๊ดหนึ่งนักโทษคนนี้เขียนจดหมายถึงแม่ยมไม่ได้เขียนถึงเมียเพราะเมียนะั้นมีผัวใหม่ไปนานแล้ว ครอบครัวคู่ครองสามีภรรยาเปลี่ยนแปลงได้แต่แม่ไม่เคยเปลี่ยนยามร้อนจะนึกถึงเงายามเศร้าจะนึกถึงแม่รักใดเล่ารักแม่เท่าแม่รักผูกสมัครลูกมั่นไม่หวั่นไหวห่วงใดเล่าเท่าห่วงดังดวงใจที่แม่ให้กับลูกอยู่ทุกครายามลูกคืนแม่ขมตรมหลายเท่า ยามลูกเศร้าแม่โศกวิโยกฝ่ายามลูกหายแม่ห่วงคอยดวงตายามลูกมาแม่หมดลดห่วงใหญ่เหมือนกับเราเศร้านะั้นมีปัญหาจะนึกถึงแต่แม่นักโทษก็เช่นเดียวกันก็เขียนจดหมายถึงแม่กราบเท้าคุณแม่ที่เคารพรักอย่างสูงลูกกําลังจะถูกประหารชีวิตในวันนี้เพราะลูกฆ่าเขาตายฆ่าจะซับตายแล้วก็ยิงตํารวจตายลูกจะถูกประหารชีวิตในวันนี้ ขอให้แม่สอนน้องๆว่าอย่าได้เอาเยิ่ยงอย่างผมรักและเคารพแม่อย่างสูงปิดจดหมายแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่แล้วก็ฝากสตังค์สามร้อยบาทฝากตังค์อีกสามรอยบาทส่งให้เจ้าหน้าที่บอกฝากให้แม่โดยฝากให้แม่โดยยม <c oughs> นั่นแหละประมาณนั้นนะ แ, แล้วก็คนแล้วก็ทางกรมราชธรรมนะยมนะ กรมราชธรรเนี่ยถ้ามีญาติไปรับเนี่ยเขาก็จะส่งให้ญาติมาแต่ถ้าไม่มีญาติไปรับเนี่ยเขาก็จะจัดการเผาให้เสร็จเลยแต่คนที่ไปรับเป็นใครรู้ไหมโยมที่ไปรับนักโทษใครโยมเมียป่ะพี่ป่ะน้องป่ะคนที่ไปรับคือแม่นะแม่แม่ไปรับแม่ไปรับเ <c oughs> ด็กจิตหนึ่งเกินเวลากันแล้วโยม <c oughs> เกินเวลากันแล้ะ เดี๋ยวอาตามาก็จะทิ้งท้ายยอมว่าตามอาตรมาจิตหนึ่งเดี๋ยวยอมว่าตามนะอาจจะไม่เหมือนพระครูบาอาจารย์ที่ท่านนั้นแต่อาตามาของอาตามาแบบนี้ก่อนยอมว่าตามได้เท่าได้ได้เท่าได้ไ ด, ไ ด, ดังวันิดหน่อยตาหมาหูไม่ค่อยดีได้เท่าได้ไดาไดหากเราได้ทุกอย่างดังที่คิด สิ้นชีวิตเจ้าของกองไว้ไหนได้บ้างเสียบ้างช่างประไรได้เท่าไหร่ก็เท่ากันและท่านเอ่ยไม่ต้องถ้าเกิดตามาก็แค่ยอมว่าให้ตามาฟังและตามาจะดักจับผิดยอมมาว่าถูกหรือเปล่าแต่ไม่ต้องเดี๋ยวอันใหม่ดีกว่าเวลามันเลยไปแล้วกระดูกกองเดียวยอม กระดูกกองเดียวกอบโกยอะไรกันนักหนาแช่งด่าอะไรกันมากนักหลงไหลอะไรกันหน่องหนักอีกไม่นานนั ก, ก, นนนกเขาจักเอาไปเผาไฟรอบก็คือว่ายอมนนะ่ะทางทางบ้านเมืองยอมไปป้นเขาไปลักทรัพย์เขาไป คดกรงกันนะ่ะตอนนี้สุดแล้วก็ตายแล้วก็อะไรไปไม่ได้ก็อย่างถ้ายอมทํางานมาให้ทํางานด้วยสามมาชีวะอย่างนี้ไม่เรียกว่าโลบนะอันนี้ไม่เรียกว่าโลบแต่ถ้าโลบก็คือไปทําผิดกฎหมายบ้านเมืองผิดหลักศีลธรรมอย่างเงี้ยโลบก็คือกอบโกยแบบด้วยความโลบก็คือลบกอบโกยคือลบแล้วก็กอบโกยอะไรกันนักหนาแช่งดา่าอะไรกันมากนักก็หมายความมากโกรธเคืองเกลียดแค้นอะไรกันนักหนาแล้วก็หลงอะไรกันนักหนาเนี่ยก็ โกดก็คือโทสะนะโลภโกดโทสะอย่างเงี้ยแล้วก็หลงอะไรกันนักหนาหลงในรูปเสียงกินรสสัมผัสหรือยศฐานบรรดาศักอะไรกันนักหนาเพอถ้าตายไปแล้วเราก็เหลือแค่กระดูกกองเดียวหรือขี้เท้านิดเดียวใช่ไหมโยมวาตาไม่นิดหนึ่งอย่าหลงคําชมเดี๋ยวใหม่เดี๋ยวใหม่หมกอกลับนิดนอย่าหลงจงระวังอย่าหลง และจงระวังถ้าเป็นพระก็กันอบัตทยมก็กันวิบัตนะอย่าหลงคำชมลงจะทองภายในหลงเขากราบไหว้เท้าจะไม่ติดดินหลงใหญ่หลงยศจะกดขี่เขาไปสิ้นหลงอยากมีทรัพย์สิน จะกองกินเงินทองหลงกามจะนำไปสู่ความเมาโมวหลงคบคนชั่วจะพาตัวให้มัวหมองหลงตัวลืมตนจะทำให้คนเหมินไม่อยากมองจงตรายตรองตัดฟัมหลงหลงบังเกลอ ลงบังเกลอให้ลงบังเกลอคือเราเตือนตัวเราเองนะโยมนะก็คืออย่าหลงก็คือให้รู้เหมือนเรามาปฏิบัติธรรมเนะี่ยก็คือให้รู้รู้กายรู้ใจนะโยมนะรู้กายรู้ใจก็คือเนะี่ยก็คือรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจนะึกคิดอาตมาคงไมกลองพูดมากนะพอทั้งโยมก็ได้ฟังมามากแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็พูดมามากแนละ้วอาตมาเห็นว่าจะเกินเวลานะโยมนะ <c oughs> เกินเวลาไปมากแล้ว สิ่งไรสิ่งละงอะันพลันน้อยตมาบอกว่าการฟังธรรมมโยมก็ต้องเจอเจ อ, เจอหินเจอดินเหมือนกัคนลนแล่โยมการฟังธรรมเจอหินเจอดินเวี่ยงทิ้งไปแต่แต่ถ้าเจอเพชรเจอพลอยก็เก็บเอาไว้มโยมนะเหมือนกับตมาได้ปลาลบธรรมเล็กๆน้อยๆเนี่ยอันไหนไม่เป็นสาระโยมก็ไม่ต้องไปเอาเก็บไปรเทศ ท, ที่เนี่ยเดยอะตมาจะเก็บกับวัดขุมทองรัตกระบังส่วนไหนเป็นสาราอัอตมาเข้าไปอันดาตมาฮะโยมเข้าไปถ้าไม่เป็นสาระไว้เนี่ยตมาเก็บคืน นะก็ข อ, อณโมธนาบุญเดชญาติ ย, ยมทุกท่านนะนเกินเวลาแล้วก็ขออนุภาพแห่งคุณพระศีร atanatri คือคุณพระพุทธันสูงล้ำคุณพระธรรมันสูงเลิศคุณพระสงฆ์อันประเสริฐและนาภาพบุญกุศลคุณงามความดีที่ญาติยมได้บำเพ็ญไว้แล้วตั้งแต่ต้นจนวันนี้ขอจงมาหล่อหลอมรวมกันเป็นตบะเป็นเดชาพระวพัปใจหนุนนำเพิ่มส่งให้ญาติยมทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความสวัสดี จเจริญด้วยสติจเจริญด้วยปัญญาจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำตนให้พ้นทุกจนถึงสุขอันกเกษมกล่าวคือพระนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอ